ต่อไปนี้เธอทางสามจงตั้งเจว่าเธอได้น้อมภาพการเสบบะพักมำมาถบายเพื่อขอบันปชาในพระพุทธศาสนาะพวกเธอทางสามจงปลูกศรัทธาและศรัทธา ความเรื่อสใชในคุณพระพุทธพระธรรมผสม์เป็นอย่างดีเพราะว่าบุคคลที่จะได้มากเกิดเป็นมนุษย์นี้พระทันตรัสว่าเป็นของยากและมาเป็นของลำบากด้วยสัตว์ทุกชนิดหลายประเภท จะมีสัตว์คือมนุษย์นี้เป็นสัตว์ทีอ่องค์สมเด็จพระสัมาสมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสว่าเป็นพัพปัสัตกัรตรรุธ ร, รมไนดะ้พวกเราหรือท่านทั้งสามนี้ก็นับอยู่ในจาพวกพัพปัสัตตอนตรรุธทมแค่นั้นจริงว่า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 มาถึงวันการบรระชาเช่นนี้ก็หายากเพราะว่าการเกิดมามีชีวิตอยู่นั้นประสบอันต ร, รายหลายอย่างหลายประการดังที่ศกเธอทั้งหลายได้ผ่านมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นหนุ่มจนบัดนี้ ่านอันตรายมาหลายอย่างหลายประการด้วยกันพวกเธอทั้งหลายได้เอาชีวิตพ้นตลอดมาถึงบัดนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นผู้ชนฉะนั้นขอพวกเธอทั้งสามจงตั้งอกตั้งใจนิรูปขศรัทธาราศรีความเรื่องใส ในประพบทระตรรมระสงค์ให้มัน่นให้ดีเมื่อกล่าวโดยย่อประพุทพระธรรมประสงค์สาม 3, ประการนี้เมื่อกราวถึงเป็นรูป ก, ก็คือได้แก่ศีธาตราชกุ ม, มารซึ่งเป็น ผู้มีบุญวาสนาบารมีมากเป็นพระราชาบ่ายมีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาได้กาสรู้ธรรมะจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัย้พระธรรม ก็คือข้ อ, อกฎอันหนึ่งซึ่งทำให้บุคคลมีกายวาจา จ, จิตใจบริสุทธิ์ได้ประชองก็คือลักษณะที่ไหวประพฤต ปฏิบัติกายวาจาใจพร้อมไปด้วยเดียวกัการปฏิบัติเดียวกั บ, ก บ, กบโสมทั้งสามประการนี้เมื่อรวมเป็นปรมาภพก็คือความรู้สึกที่บริสุทธิ์เช่นผู้รู้คือจิตใจของเราเองพระธรรม ก็คืออาการที่ชอบยิ่งทมจิตใจของพวกมนุษย์ทั้งหลายเหตุโศงไว้ซึ่งต่อริสุดใต้นั่นเรียกว่าประทับโดยย่อพระโศงก็คือการประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมะคำสอนของท่าน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 ตรงกายตรงวาจาตรงใจดีกายดีวาจาดีใจเรียกว่าประพฤติ ด, ดีประพฤติตงเรียกว่ารผสมฉะนั้นเมื่อเธอมีศรัทธามาบวชในพระพุทธศ า, ศาสน า, าแล้วไอ้พวกเธอทั้งหลาย กิงประกันตั้งอกตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติในพธศาสนาให้ดียิ่งที่เรียกว่าการบรรพชาการบรรพชาหรือการบวชเป็นสามเณร น, นี้การบรรพชาแปลว่าการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เมื่อเราบวชมาแล้วในพุทธศาสนาและไม่เบียดเบียนซึ่งกันแลการด้วยกายด้วยวิญญาณด้วยใจเกี่ยวกับการบรญชาฉะนั้นจงเธอทั้งสามจงกินให้เห็นอานิสงส์ของการบรรญชาที่พวกเราทั้งหลายนั้นเข้ามาบรรญชาในพระพุทธศาสนาการบรรญชา เมื่อก่าวโดยพิจาลมันก็มาฟันดนณาไม่จบไอ้คุณงามความดีซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั้นอณิสมของการบรวชนั้นคือเมื่อเราเป็นฆราวาสอยู่ฆราวาสวิสัยนั้นเป็นว่า เป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งธุรีทั้งหลายเป็นทางมาแห่งธุรีคือเจดีทั้ทงหลายเมื่ อ, อยินทางพระาชทางคับแคบลำบากกายวุ่นวายจิตใจวุ่นวายทุกสิ่งสารพัดก็วุ่นว า, นายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้น เพราะการเลี้ยงชีพของคารวาสเมื่อรามาวันประชาในราพระพุทธศาสนาแล้วการเลี้ยงชีพของเราเนื่องโดยคนอื่นอีวร บ, บินทบาทเซนาสนะเทสัตดเนื่องโดยคนอื่นครับฉะนั้นเราจึงเป็นผู้สันโหษดมากน้อยไม่มากมาก ไม่เอาอะไรแล้วปล่อยไม่ถือมั่นยึดมั่นอะไรเช่นผมเรากโกงที่จะแล้วแล็เรอบปรปัดนะแล้ว mm. เราไม่ต่อสู้กับใคร mm. มันไม่สู้กับใครไม่ยึดช้าใครไม่พยายามไร เรียกว่าเราเอาชนะตัวเราเองเราเป็นคารวาสอยู่เราเอาชนะคนอื่นเมือม่อมาบรรพชาในพระพุทธศาสน า, าและองค์สมเด็จพระธรมมสัมพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าเอาชนะตัวเองไม่ต้องเอาชนะใครทิ่งอาวุธนะมาอยู่ในความสงบนะเค่นการ อณิสงค์ของการวันประชารุตันเป็นนักบวชนี้จะเดินไปที่ไหนก็สบายจะนั่งที่ไหนก็สบายเพราะเราไม่มีการอิจฉาพระยวด ก, กับใครแล้วฉะนั้นการบรนประชานี้จึงมีอานิสงค์มากอืมฉะนั้นเธอทั้งสามเมื่อมาถึงการบรนประชาในวันนี้ตอนนัดบวชเป็นบุญอันเดินอันประเสริฐของตกเถือทั้งหลายเพราะว่า บ้านของพวกเธาทั้งหลายเนี่ยก็อยู่มันนอกไม่ใช่อยู่มองไทยและอุตสาหที่ผ่านประเทศมาถึงมองไทยได้มาขอบวชหรือขอบรรชาในปุถุศาสนะซึ่งคือเอาตัวฉันนี่เองเป็นพระอุปชา อ, อันนี้ก็เป็นของยากเป็นของลำบาก ฉะนั้นพวกเธอทั้งสามนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีผู้สนน่เกินฉะนั้นมาอบวชมาแล้วในพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระจมบาลพุทธเจ้าของเราถนัศึกษาศึกษาสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้โดยยอ่อโดยราณาจารที่ท่านได้สั่งสอนมา ให้แก่บุญบุญผู้ที่บันประชานั้นเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนั้นเรียกว่า ม, รรรมาูรกะกรรมฐานหรือตาจักรันจกกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเรียกว่ามูระกรรมฐานเรียกว่าเป็นรากหรือเป็นมูลของการประพฤติปฏิบัติอันนี้พระโบราณอาจารย์ ท่านสอนหลักย่อย่คือเกสาโลมานะะาขาตันตาตาโจานิห้าประการท่านี้เป็นหลักอันสาคัญที่สุดในหลักพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะเรียนปีกย่อยไปหลายอย่างนะก็ไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากกฏต่างสงสาร ฉะนั้นทางที่จะให้ต้นจากกระจาสงสารนี้ซึ่งเป็นมูลหรือเป็นลากนี้เดียกว่ากรรมฐ า, านฉะนั้นเธอทั้งสามจึงตั้งใจศึกษาเร่าเรียนซึ่งกรรมฐ า, านทั้งห้าประกานโดยเป็นภาษามาตดมคดภาษ า, ษาอาเป็นภาษาไทยแบบเจสาโลมานะขาทันตาอ่ามาโจ ภาษามกพศภาษ า, าไทยเรียกว่าผมขนเล็บวันนั้นภาษามกพศเรว่าเกสาโลมานะขาทันตาตาโจเป็นต้น อ, อันนี้กรวมเรีในระดัอันเดียวกันฉะนั้นตออันนี้เธอทั้งสามเพ่งตั้งเรียนกรรมฐานเรยอภาษาเมกพศจงว่าไปตาม เกิดทันทนโลมาโลมานา เล็บมือเล็บเท้าก็มีอยู่แล้วครบบริบูรณ์ฟันที่เป็นสิ่งที่ฉันระบุดอาหารเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วตาโจา้นะำหุ้มหอทั้งหมดนี่นออมีอยู่แล้วคือของอยู่อยู่แล้วเฉพาะคนไทยประาม คนฝลังก็ตามคนยวนก็ตามไข่ไข่ไขก็ตามเหนือนกันใช่ไหมผู้อันนี้นามอ น, นี้ไม่ใช่ไทยไม่ใช่กฝลังไม่ใช่คนยวนไม่ใช่ไข่ไข่ทั้งหมดเรียกว่ารูปบุตร น, นั่นนั้นกันมิเช่นที่เธอมาบวดนี้ก็ให้ทําให้หมันเนั้นกันเป็นรูปจิตของพระพุทธเจ้าของเราเนื้อกันไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มียวนไม่มีจีนไม่มอะไร เป็นพระในพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งหมดมแค่นั้นจึงมีผมมีผมมีเล็บมีฟันมีนันเหมือนกันทังนั้นสิ่งทั้งห้าประการ น, นี้ซึ่งไม่ยกเป็นกรรมฐานนั้นเพราะว่าคนเราไม่เคยได้พิจารณากันมผมนี้เรา้าใจว่าสวยงาม ตามธรรมตามธรรมดามันได้ผมนี่ไม่เด็สวยเป็นของเหม็นสาบเป็นของไม่สะอาดอ่าเป็นของไม่ยังยืนอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วขนกุมนันการและกุมนันการฟันฟันกุมนันการอืมเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยอีเป็นของไม่เจริญหาวอน แต่เราเข้าใจผิดไปใช่ว่ามันว่ามันดีว่ามันเลิศว่ามันประเสริฐและนี้ขเหมันกันเป็นของไมส่สดไม่สวยเป็นของเงียบชุกโข่แต่เราคิดว่าเป็นของดีเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐนังที่มันพุ่งอยู่ตามสะพังร่างกายของเรานี้พอดี ตามความจริงว่า น, นี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เป็นแก่นเป็นสารเป็นของของไม่ยืนยืนผาวนแต่เราเข้าใจผิดว่าหนังนี่เป็นของงามเป็นของสะอาดนี่เราคิดผิดทีนี้ที่นี้พระพุทธเจ้าอาจารย์ใหญ่พิจนาเตสาโลมานะคะนตาตาโจให้เป็นไปตามสัารวาความจริงจริงแล้ว เ่อเราตั้งใจเอากรรมฐานตั้ง้าปตาร น, นี้ไปเป็นอารมณ์ไปพิจาณาแล้วการมาฉันทะและพยาบาทอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งเป็ น, นมีวรมันจะไม่มาป่วนเราเราจะเรียนหนังสือต่อสบายเราจะทำกรรมฐานต่อง่าย ถ้าเราเห็นว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นนาตาแล้วเราก็จะยืนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุ ข, ขาตา่อกรรมฐานนี้นี่ฉะนั้นเธอทั้งสามจิงตั้งอกตั้งใจนําไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ก็เดียนถามครูบาอาจารย์เช่น ท่านสุมเมโตดูปอภากรโรซึ่งเป็นอาจารย์นี้ก็เป็นภาษาอัาีาาเยวกันพวกเธอทั้งหลายก็จะรู้แก้ชัดในประวัติฐานทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปอ ม, อ ม, มิฉะนั้นต่อไปนี้จะเลยมอบภาการสวะคืนให้เธอทั้งสามใน ทางพุ ท, ทธศาสนาเนี่ยอุประชาอาจารย์ก็เป็นพ่อแม่ของเรานั่นเองบวชมาแล้วท่านให้อยู่กับอุปชาหนึ่งสองสา1สี่ห้าพรรษานี่เป็นปกติด้วย เพื่อจะอุปชาจะชี้แนวทางในหลายอย่างหรือมิฉะนั้นก็ให้อุปชาแนะนำให้ไปอยู่กับอาจารย์ อ, องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งจะมีความรู้ในการแนะนำํำสอนให้เราปฏิบัติให้ถูกตามเิ่นปะจมุบโท เป็นต้นทุกวันนี้มาอย่างนั้นเลยบวชแล้วรีบไปเนี่ยบวชแล้วรีบไปเนี่ยที่นี่คณะวัดประโคงเราไม่เอาอย่างนั้นนี่ย้รรมามาจัดเมืองนอกก็ตามข้าเนี่ยอยู่ในเมืองไทยก็ตามบวชมาแล้วประจบฝึกต้องฝึกให้อยู่ใกล้จิตตูบาอาจารย์ รู้จักครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เหมือ น, นกับพ่อแม่ของเราเราอยู่ใกล้ชิดท่านเราเป็นสัจจิงมหาลิกไรอุปชาชัติสัจจิงมีฮารกิก็ปฏิบัติครูบาอาจารย์เหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ก็รักอุปชาอาจารย์ตอรักลูกศิษย์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 ศีล น, นั้นก็คือจัญญามารยาทีเดียร้อยสมาธิก็คือทำจิตของเราให้เย็นสบายปัญญาก็คือรษณะที่ทำความรู้สึกของเราให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริง เมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วจิตใจะกะสว่างสวยยายเยือกเย็นทั้งสามประการนี้คือกายได้ว่าจะใจ น, น, ะนั่น น, นั้นจงํำเนื่การประพุติปฏิบัติอย่าเป็นคนเกลียดขคานอย่าเป็นคนมดง่ายเป็นคนอดทนมันจะร้อนก็อดทนมันจะเย็นก็อดทนมันจะลำบากเท่าไรก็อดทนการอดทนนี้เนี่เป็นแม่บท ของการปฏิบัติเป็นหมึงแล้วฉะนั้นวันนี้ถูกบนประชามาแล้วปรากันตางุ์ตางใจต่อไปนี้ก็ให้อยู่กับประชาสักพักหนึ่งเะก่อนก็ดได้ประชา็จปเดินไปบิณฑบาทกับท่านอืมผ้าไม่ดีท่านก็จะได้บอก อะไรไม่ดีท่านก็จะบอกอะไรมีไม่เดียบร้อยท่านก็จะบอกตะเกื้อทุกอย่างพอสมควรแล้วจง <c oughs> ท่านสั่งไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปอันนี้ให้ประกันตังคอกตังใจให้ดีสมวนโทรจะกลับวัดก่อนออนื้เนี่ยกลับก่อนเนะกลับก่อนจะให้ลูกศิษย์เขาที่นี่ก่อนเนื้อทิ้งไว้ใ น, นแร่มีก่อน ใต้เขาหาปกติให้อยู่าแล้วต่อไปเมีม่อต่อไปก็เป็นมาฆบูชาอยู่เพราะจะได้ทำกิจอะไรต่ออะไรหลายอย่างเปลี่ยนน้ำยากาศเพราะปีนี้สุขภาพไม่ดีนี่ขออนุญาตพระสงฆ์ท่ า, ทาหนหลายกระทำบัญชาสั่งเสียงเคส จะประจังบริธานความปรารถนาว่าปีนี้ถ้าหากว่าสุขภาพพอเป็นไปได้ว่าจะพยายามไปเยี่ยมสาขาของพวกเราทางน้ทางใต้และทางเหนือถ้ามันเป็นไปได้จะไปเยี่ยมใ น, นระยะนี้ก็พอดีฝ้าฝนขาดแห้งแล้ง ไปมาสะดวกก็เลยจับรถออกมาไปเทีย่ยวเยีย่ยมญาติโยมไปทางอำเภอเ ด, อดีอุู้ดมไปประชุมอยู่ที่วัดอาจารย์อามิสังพะทั้งหลายมารวมกันทั้งกัธ น, นารักษ์สังเดชอุดมมารวมกันทางอำเภอ ยำยืนมารวมกันที่นั่งเราก็จะไปอบร ม, มเรื่องสรรมนนะของเราที่จะอยู่ป่ปรอบเพราะว่าทัานสานี้ชิตญาณุสิ์และทั้งหลายนั่นนื้มีการเคลื่อนไหวน้อย พระน้อยเนียนน้อยในการประพฤติปฏิบัติก็รู้เหมืนอนไม่เคยเอาใจใส่ยงงั้นพระเราก็น้อยไปน้อยไปวัดหนึ่งมัดหนไม่มีพระหลายองค์มีองค์เดียวก็มีสององค์มีนี่มันเป็นเพราะอะไรเราผู้เป็นครูบาอาจารย์ก่อนดูตามเคลื่อนไหว ของพระจักรพรรดิทรงปกคราทาั้งหลายดูพระอบรมบ่มมีใจผู้เป็นประธานทั้งดุษฎีนักญาติโยมทั้งหลายด้วยเ <c oughs> มือวานได้เดินทางมาจากโน้นมาถึงวัดหองกระปุ่มจะมาเจ้าเมื่อวานต่อคอดี โยมเทีย่ยวเฝาวัดน้องประพงเคยรู้จักไหมโยมเทียบกีรติส า, าประตูตายเลยตายไม่เป็นไข่หรอกตายเฉยๆตายแล้วก็เพิ่งจัดเขาศพทำพิธีหน้าที่เสร็จแล้วก็อาวุธถึงเมา่อเย่ามทางอาจารย์จยันอาจารย์บุญ อาจารย์บุญทำเรีย่ยันวันว่งฤิศแนีวยก็มาที่นี่เวลาไม่ค่อยมากอะไรนะว่ า, ามีอาจารย์เที่ยงอาจารย์สีติดตามมาด้วยการจัตะหะม า, าะบางบางวงกลยสองวันสามวันมาแล้วยังไม่มีโอกาสมาแวะวัด วัดป่าวัดป่าโคกวนวัดอาจารย์มหาสำรามซึงมาถึงสมาเเพ็งก็เห็นพระเนมที่มาอาศัยท่านอ ย, ยู่ขอสมควรม่มากปีต่ตอๆมามันมากกว่านี้ปีนี้นอ้อยกว่าดูเหมือนว่าสาขา วัดของเราดูดเหมือนแบบนันน้อยไตรสกวรรณสุวัรนี่เป็นพระแกดูการเคลื่อนไหวของการปฏิบัตินี้จื<ม>ดจางกันพร <laughs> ะก็ไม่ค่อยเกง่งปฏิบัติเน้นก็ไม่ค่อยเกง่งในรูปมันเป็นพระบุญวาสนาของเราหรืออันนมีความขี้เกียจัะนี้ยอะูได้น่าจะมีความขี้เกียจมากกว่า เราเป็นนักบวชนักทษถ้าเราขาดการปฏิบัติตามหน้าที่ของพระของมีเอแล้วมันก็นหน่อยไปถอยไปถอยเรื่อยไปเหมือนไฟจันทร์ขังแหลมดีไปดีไปดีไ ป, ไ ป, ไปจนจะบมดพอขาดการปฏิบัตินี้มันก็เสื่อมไปเรื่อยๆไปอันนีนน้ขาดการเดินจงกรมขาดการนั่งสมาธิ ขาดการปฏิบัติเสนาจนะขาดการอุปถาโูวะอาจารย์ขาดการเรียนพระธรรมวินันยขอบระพติปฏิบัติแ้วนี้ก็ขาดไปเรื่อมๆจนวันวันจะหมดเมื่อหมดไปไรื่อยๆอย่างนี้ในสมัยก่อนเช่นอาจารย์เดืองฤทธิ์ยังอยู่ มหาสํามล้านยังอยู่สมัยนั้นอืมรุ่นโตนก็อาจารย์เที่ยงอาจารย์จันยังอยู่อืเราก็เป็นประธานคนระับสมัยนั้นเราก็ยังไม่แก่อืเราก็เข้มแข็งเหมือนกันดูคิดก็เข้มแข็งเหมือนกันไม่ยอมหยาไปไประชุมบรรพะแปดข้ามเจียมห้าข้ามพาเราไปนั่งเทศในฟัง พระเน้นนั่งนิ่งแต่ใครปวดปัสสาวะก็ไม่ค่อยไปเอามันจนเต็มที่มันเคารพบพระเคารพคูบาา้านใจสอนอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเอาไปจำเอาไปพิจารณาไปทำไม่บอกยากไม่สอนยากพูดง่ายสอนง่ายอขอวัดปฏิบัติมันก็เริ่มจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเรื่อย ตอนเย็นมาทำวัดเสร็จขึ้นธรรมะนั่งเทศภาบินายทั้สงวนดูว่าเทศจบแล้วกลับมาเทศอีกเทศจบแล้วกลับมาเทศอีกไม่ได้อยู่ในเทศภาบินายโดยมากพระไม่เคยจะทำอะไรหรอกมาฟังเทศมาปฏิบัติท่นนี้ความรู้ประตูวันอืมีความรู้ประตูวันมาฟังธรรม มาปฏิบัติเพราะเราเห็นป่าพวกเราเป็นภาคกรรมาฐานอยู่ในป่า ก, กันทำกรรมาฐานกันจะไปศึกษาเราเรียนประโยชน์ประทานนะเหมือนพระสุตตูอ์เมื่อครัก็ลาบากก็ไลยพยายามปฏิบัติพระที่ในไม่เรียนเก่ศึกษาเรื่องจักอืมก็ช่วยกันมาดีขึ้นดีขึ้นต่อมาจึงมีภาคการเราเรียนเนิดน้อย ่อไปถึงทําเอกก็อยู่เกิดันแล้วพอถึงทาเอกแล้วก็พอแล้วถ้าเราจะต้องปฏิบัติต่อมาก็ให้เรียนหนังสืออย่างน้อยเดืนักบัญชีไม่มากให้ดนักบัญชีต่ อ, อพอสำหรับที่เราปฏิบัติคุ้มตัวของเราทุกวันนี้บางแห่ง การเดินตามที่เราทำมาก็นน้อยการอ่านภูปิศขาวรรณ า, น า, นาเรื่องพระวินัยนี่ก็ไม่ค่อยอ่านอ่านตัน้อยถ้านเรียนที่บวชเราไม่นเรื่องอพระวินัยนั่นคืออะไรอย่างไรไม่รู้จักนีอ่อันนี้อันหนึ่งกเ็เลยเป็นเหตุเป็นเหตุให้เราย่อหย่อน ทำไมถึงย่อหย่อนไม่รู้จักความหมายของการบวชบวชมามีความหมายอย่างไรก็ต้องทำอย่างไรเช่นว่าพอนาเราจะต้องรู้จักการจะทำนาได้กระรูจักความหมายของการทำนาจะทำมาเพื่ออะไรทาเพื่ออะไรอย่างนี้เก็รู้จักทำนาเพื่อเอาข้าว เอาข้าวมาทำไม้มาบริโภคจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้เราเข้าใ จ, จาตะกอนก็มาเรียนทํานากันก็พยายามทํามาตลอดพ่อแม่ดูร้านมาทุกวันก็ยังทํานามาพอเรารู้เรื่องของการทํานามีประโยชน์อย่างนี้ถ้าหากว่าเราทํานาไม่รู้ประโยชน์ของการทํานามนไม่ควรเป็นทํานาการประพฤตปฏิบัตินี้เหมือนกัน ถ้าเราไม่รู้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติของธรรมะแล้วมันก็นับวันจะเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปคือคนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพระเมรุบวชพระบวชใหม่ก็ไม่รู้เรื่องเมรุบวชใหม่ก็ไม่รู้แม่จะกราปก็ยังไม่เป็นจะปฏิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ยังไม่เป็นอืจะอะไรก็ยังไม่เป็นอืเรื่องพระธรรมในเรื่องขอวัดปฏิบัตินี้มันก็ยากเมื่อ เมื่ออันนี้มันหมดไปรุ่นใหม่เข้ามาไม่มีอะไรติดต่อกันไปเพื่อเคือนไปเรื่อยๆไปพ้นที่สุดก็ขาดยกขาดสมัยไม่มีใครดําเนินต่อตามประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็หมดไปเรื่อยไปตกล้องก็อยู่ธรรมดาอเฉพาะมนุษย์เรามันตน้องมีหน้าที่ที่จะต้องถามอยู่เฉยๆไม่มีอะไรเมื่อเราประพฤติตาระหลังคิดแต่มันจะเห็น เห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์วิชัยประโยชน์ในการกระทาอย่างนี้ในการที่ไม่ทำอย่างนี้นี่จะเว่าความรู้เกิดจากการศึกษาให้เข้าใจอันนี้ก็อาจบกทร่องไปบางแห่งบกทร่องไปเหตุบกพร่องเพอาะอะไรเพราะความสี้เกียจบางทีอุปชาอาจารย์พยายามเทศในฟังลูกศิษย์ทำไมสนใจที่จะฟังที่จะเข้าใจ ทำไปทำไปทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรเหมือนชาวประมงเขาทำปลาเด็กเขาไปทอดแห้งเนี่ยทอดก็ทางวันก็ทางเดือนก็ไม่ได้ปลาสักตวัวเขาตัวทิ้งเขาก็เลิกกันนี่เลยนะครับพยายามเทศ่ยงฟังไม่เข้าใจไม่ใส่ใจก็ไม่เมีความรู้ท่านนั้น น, านั้นไตรชะอาจารย์เดืองยิดอาจารย์มหาสันดานตุกแก่เงย เนี่ยอาจารย์ตัวเหนื่อยอืมดุจคิดตัวขี้เกียจไม่เอาใจใส่เข้ากันผลนดีเลยอาจารย์ตัวแก่แน่เหนื่อยนะดุจคิดตัวขี้เกียจไม่เลยมีใครมาสนใจในธรรมะ ก, กันันก็หมดใครโดยปริยายนี่มนหมดโดยดุจเรียนี้นี่ฉะนั้นการจะทำของเรานั้นจึงไม่เคยได้ผลทําไมถึงไม่ได้ผล เพราะว่าไม่ทําอพราะไม่ทําทํำไมไม่ทําไม่มีใครช่วยทำเราทั้งหลาอยากแต่ตรวอาจารย์ช่วยอยู่จนโน้นไม่อยากจะให้ตายไม่อยากจะให้แก่พวกเราที่มีมาหน้าที่จะต้องทําไม่ไม่อย่างนั้นแต่ความไปยิงอาจารย์มาสําราดึงฤทธฤ์แก่มาสักหน่อยหนึ่ยเหนื่อย การงานของท่านมีอย่างดีเราก็ทำหน้าที่ขอวัดปฏิบัติตาาการรักษาเจนาสละทุกอย่างทําแทนขึ้นถ้าเรารู้จักไม่ทําอย่างนี้ขึ้นออไปดูที่ไหนไปดูห้องน้ำก็พอเนมัดนี้จะขยันไหมพระใหม่วัดนี้จะฉลาดไหมไปดูห้องน้ำห้องซวก นั่นอาจารย์ใหญ่อยู่นะยวัดอาจารย์เรืองนิดวัดไทยทุกวัดอยากจะรูปพระใหม่เน้นใหม่ให้ไปดูห้องน้ำของสัวรเปิดประตที่เม่งชุนปันยเยี่วเด็ดเห็นหดำเพื่อนโม่ไม่มีใครเช็ดไม่มีใครล้าง นานๆไปก็เข้าไปเหมเช็ดไปใลร่างดีนะเพราะอุตส่าห์ไปถ่ายถ่ายร่างอย่าไปร่างมันก็ชกกระปงไอคนนี้ก็ทําอย่างนั้นคนนั่นก็ทําอย่างนี้คนนี้ก็ทําอย่างนั้นช่วไมั่มีใครร่างเนี่ยมหาศานไปเองกับตักหน้ามาล่างเองอาจารย์เดืองยิทย์มาสั่ล่างเองนี่ตอไม้ที่เราเขมาบวชมาปฏิบัติ กลับเอามาเรียให้พะอาจารย์ปฏิบัติเราล้างช่วงให้เรานี่เราไม่รู้จกักเพราะปฏิบัติแล้ก็เสื่อมไปเรื่อยทีนี้อยากรู้จักพระใหม่เน้นใหม่วัดนี้มีความสำคัญดีเข้าไปดูช่วงไปดูกุฏิน้ำรังข้าวครูบาอาจารย์เดืดร้อนนี่น มันจะสะอาดตามพระธรรมวินัยนั่นเลยไอ้ตรงนี้พระเนรยงังปฏิบัติอยู่พระเนรบัดนี้ยังทรงข้อวัดอยู่ยังไม่เสียหายอะไรไม่ต้องไปบอกเขาเขา ร, รู้ไม่มีใครสั่งก็เขียนติดถ้าเขียนบางอย่างคนขี่ก็เป็นอย่างนึงม้าขี่ก็เป็นอย่าง แมวขี้ไปเป็นอย่างนี้อืคนขี้หลังล้างแมวขี้ตลกลบหมาขี่ไปเลยนะ น, น้อยเข้าใจไหมเราจะเป็นคนหรือเราจะเป็นแมวหี่เราจะเป็นหมาดูดิถ้าคนขี้หลัล้างมแมวขี้มันกลบกลบคนขี้ห ล, งลาง มาี้นี้เลยอ่านดูอเออไปอ่านเอออันนี้ก็นีเลยเราเป็นแมวเราเป็นหมานอนหรือเราเป็นคนนอนท่านหลังจะฟังแล้วอืมนี่นี่คือไม่มีใครจะต้องทำทดีใดมานี่คืองานสูงลูกการงานการล้างซ่วมทาซ่วมให้สะอาดนี่คืองานสูงไม่ใช่งานต่ํา ถ้าคนโง่แล้วก็ว่า ง, งานต่ำตควรให้คนเฉยๆเขาทำนั่นคืองานสูงคนมีบุญน้อยไม่ได้ทำคนมีบุญไมยได้ทำในล่างได้ทำให้สะอาดปกติเราอยู่มันสะอาดที่อยู่มันสะอาดห้องน้ำห้องส้วมมันสะอาดไปต้องเทศมากหรอก ไม่ต้องเทศหลายเราเขาไปดูห้องน้ำเรู้จักห้องช่วงก็รู้จักไปดูเชนาชนะเปนก็รู้จักไม่ต้องเทศก็ได้นั่นนั่นคือเทศแล้วนั่นคือเทศแล้วรู้แล้วนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้อาจะเข้าใจไหมทีนี้พูดถึงการบวชการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของพวกเราตั ว, วันนี้ในเวลานี้เราเข้าใจว่าคนมันมากเกิดกันคนมันมากเืกิดการอย่างเราปลูกต้นไม้เรา้องการผลประโยชน์ของมันน่าต้องใส่ปุ๋ยมันน่าต้องรักษามันต้นไม้อื่นเกิดไว้จะปกคลุมมันน่าต้องชําระให้มันแต่ดินพระอากาศมันจะสวย มันจะงามอันนี้เหมือนกันเล่าค่าข้อปฏิบัติมันห่างกันออกไปออกไปลูกศิษ ย, ย, ย์ไม่เคยพูดกัาอาจารย์นานๆอาจารย์มนประตูคนนั้นก็ห่างไปแต้เรื่อเราห่างจากการไปไม่รู้จากการนานๆคนปฏิบัติจําพวกของเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าใครมันเป็นอย่างไรใครปฏิบัติอย่างไรไหม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 หาคนที่สมควรนะคนที่มีศรัทธามาอยู่ด้ยวดยวกันมันถึงรู้เรื่องกันยังงั้นการบวชเราต้องเลือกพยายามสมใจเลือกอืกรงการศาสนาตัววันนี้กําชับก็มาเพราะเคลื่อนไหวการบ้านเมืองเนี่มันเคลื่อนไหวการบวชต้องเลือก รู้จักหัวตีนปลายนอนรู้จักอะไรอะไรหลายๆอย่างเส้นใ้บวชคนว่ายากสอนยากส่วนมากที่คนมีความเห็นผิดจะมาบวชเป็นชีจะมาบวชเป็นเขามาบวชเป็นเนนเป็นพระกันให้เปืน เรยมนาะทุกวันนี้มันมีปฏิปักษ์มีข้อปฏิปักษ์ด mm ้ว hmm. ยในพระธรรมวินัยของเราแต่มันเป็นวิสภาควิสภาคเช่นว่ า, าต้องรู้จักคนเป็นวิสภาคคือคนที่ไม่มีความเบื่อสายแย่งแย่งในพุทธศาสนาของเรา เป็นวิสภาคกันถ้าเอามาบวชมันจะทําลายพุทธศาสนาเราเสี่ยงไปจะมาดึงมาแก่ออกไปมันเป็นวิสภาคมาทําลายดับพุทธศาสนามาทําลายครูบาอาจารย์ทุกอย่างหายไปต่อไปรัติพุทธศาสนานี่มันจะหายไปหายไปโดยริยายายนั่นจือก้นคนถียคนไปคนมาจะบวชเป็นพระจะบวชเป็นชีจะบวชเป็นนุ่นนงธรรมเหตุ ยาบวชคนไปทั่วๆไปไม่ได้ต้งองรักษาถ้าหากว่ามันติปดปกติเราก็ลุกกนะารเคลื่อนไหวของการประบฤติปฏิบัติของเรานะ่ะพระสงฆ์ม่อมันเป็นมาแล้วมันน้อยไปถอยไปถอยไปอยู่แล้วถอยไปอ ย, ปยู่แล้วการปฏิบัติมันน้อยเอ่ความเสื่อมมันจะคืบคานต่อมาทุกวันทุกวัน อันนี้เราต้องประกันพยายามทรงไว้ศึกษาครูบาอาจารย์จะทําอะไรเรเรียนครูบาอาจารย์ให้ครูอาจารย์ ร, รูาาราาร้ด้ว ย, วยอืตปีนี้เราก็สอนการบวชใครแม่ชีมาบวชมาจะที่ไหนอะไรมีอะไระไหมนะใครตรงนั้นมันรู้จักหัราะวจีนไปนอนกันอย่างนั้นเอาของยี่สิพระเข้ามาบวชเพื่อจะมาทำรารพ่อวัด ปฏิบัติของครูบาอาจารย์เนี่ห้เสียไปอืทุกวันนี้ยิ่งแล้วกันผู้คนที่ฟันตว น, นไปมาสารพัดอย่างเนาหาในยากนิฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจพอวัดปฏิบัติเราสอนมาแล้วทุกวันนี้ไม่เคยเกิดสี่สิบกว่าสาขาแลยนั่นเนินมาไม่มีใครแต่มาถึงระยะเวลาปีนี้แฉตังเลย พาะเนยก็ไม่เอาใจใส่เม่ยชีก็ไม่ก็เอาใจใส่ห้อยไปห้อยไ ป, ยไปมันก้าวเขาไปสู่สังกา ม, มาคุณใช่ยินดีในรูปในเสียงในผิดในรสโสดบาตรทำลายอะไรที่เห็นเห็นไหมญาติโยมันุะวันเด็กนคนแก่เห็นไหมตอ น, นเย็นๆก็ทำอะไรกันดูธรรมทัศน์แต่เนไ้มคนแก่ๆฟันีดูเขาชกาเลยต้นเต้น มีเพื่อเหตุการณ์เหรอไดึงดูดจิตใจมาไปอย่างนั้นดูแลเอา้าลงเงินกันถึงเป็นการพนันกันด้วยวุ่นตลอดบ้านหนึ่บ้านปลาบ้านดงในเมืองในนาเป็นหนึ่งนี่เหตุการณ์ให้เขามามมทําให้เราว่าวุ่นในบ้านในเมืองในจิตใจของเราตัวมีหัวมีเมียมีคารวะาได้อย่างพ ว, าวางกคาระเนา่ยทำตามจัดสม นางนั้นประกันตั้งใจดูนี่ก็ให้อาจารมหาสมดานี่เป็นผู้ดูแลที่เร็นมาบ้านนี้จะไม่ได้พักข้างคืนด้วยคือมารีบลวนร้ายองค์มาด้วยกันจัดตหามาบางองค์สามวันมาแล้วสี่วันมาแล้ว จะเดินทางต่อไปปัฒนอาจารย์จินดารีจะก่อนวันนี้ดันนี้จะไปพักที่นั้นอันนี้ผ่านมานี้ก็ขอมาเยี่ยมให้ความเห็นให้ความรู้การพอสมควรแดบ๋ยวจะไปอาจารย์เที่ยงอาจารย์สีอาจารย์ยังฤทธิ์นอกนั่นก็มีคารวะติดตามไปด้วย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 เก่าด้วยไหมเก่าสามเสอสอดเดือบดูบ้านสอดเห็นมันมาสอดขัดไปอยู่ไดยอย่างน้นต้องซสื้อให้สอดมันจะขัดอยู่เี่้อาสอดจะขัดไปอยู่หาใจว่ล่ะเอาไปพ่อวหน้าแล้วไปถามมงจากของมึงมาเลย น, น้องว่าวันนี้สอดที่ไหนเนา ใจว่าละขันที่สอดแต่มันข้ามแต่มันยูขี่ไปสอดแต่มันดุเนี่ยมันบ่นฟูแล้วอย่างเมื่อไปเพาวน้าเร่อสามคนท น, นละโคดีแล้วพ่อยูอยู่บ่อมุนพ่อยูว่าพอกินมาเอาละเท่านั้นละค อ, อยูเดี๋วกัพอกินเดเท่านั้นละ ดูได้ไปนะ